hmm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 สติปทาน4ก็เป็นการวิธีการเพื่อทาให้เราเกิดสติชนิดพิเศษที่เรียกว่าสัมมาสตินะหรือบางทีเราก็เรียกว่าเป็นสติปฐานสติที่เรามีในชีวิตประจาวันเนี่ยมันเพียงแค่พอให้เราลึกได้นะเวลาจะกลับกุฏิก็จำได้ว่ากุฏิเบอร์อะไรนะเวลาจะออกจากศารานี้ก็จาได้ว่า รองเท้าเนี่ยถอดไว้ที่ไหนนะหรือว่าเวลาจะ เ, าเวลาออกจากนี่ไปก็จำได้ว่านัดเจอกันที่สาราหนะ้าเพื่อทำกิจกรรมต่อไปเราใช้สติแบบนี้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและก็ในการทำงานซึ่งก็ช่วยทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขตามสมควร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 เจะเปรียบสติเหมือนกับยามเฝ้าประตูเมืองนะเมืองก็คือจิตนั่นแหละเรียกว่าจิตนาคอนนะถึงแม้จะมีกำแพงสร้างเป็นรั้วรอบขอบชิดนะแต่มันก็ต้องมีประตูนะประตูนั้นเนี่ยอะไรแล้วก็เข้าได้นะอยู่ที่ว่าทหารยามเนี่ยจะทำหน้าที่ดีไหมถ้าทำหน้าที่ดีก็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 ที่จริงอย่าว่าแต่ความทุกข์ใจเลยความเจ็บป่วยเนี่ยมันก็ต้องอาศัย2ปัจจัยนะปัจจัยภายนอกเช่นเชื้อโรคนะหรือว่าสารแปลกปลอมเนี่ยไอเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเนี่ยถ้าหากว่าร่างกายเราซึ่งเปรียบเหมือนกับปัจจัยภายในเนี่ยมีมีความเข้มแ ข, ข็งมีภูมิคุ้มกันที่ดีเชื้อโรคก็ทําให้เราเจ็บป่วยไม่ได้นะเราพวกเรา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 พอโดนคีโมนะเคมีบาบัดหรือว่าโดนฉายแสงในส่วนใหญ่นะก็จะแพนะ้แต่คนบางคนเจอเคมีบาบัดหรือว่าการฉายแสงในระดับเดียวกันโดสเดียวกันแต่ไม่แพ้ไม่แพ้มากอันนี้เพ่าะอนั้นะก็เพราะปัจจัยภายในเนะี่ยคนแต่ละคนก็มีปัจจัยภายในไม่เหมือนกันจริงจริงแม้แต่บุรีนะ มันไม่ใช่ว่าสูบบุหรี่แล้วทุกคนต้องตายเร็วนะฟิเดลคาสโตนี่อายุ90แล้วสูบซิ ก, ก้าเนี่ยวันแล้วไม่รู้กี่กี่มวนนะตอนนี้ก็ยังไม่ตายเลยอายุ90สบนะติ้งเซียพิงสูบบุหรี่เนี่ยวันละกี่ซองอ่ะสอง ส, องสมซองเนี่ยก็่าจะตายก็เกาสนะแล้วสุดจะไม่ได้ตายเพราะมาเลงปอดด้วยไอแบบนี้ก็มีนะแต่ว่าส่วนน้อยนะแต่มันก็ชี้เห็นว่าลําพังเนี่ยเชื้อโรคก็ดีหรือว่า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 ถ้าว่าใจเราเนี่ยไม่ไปปฏิเสธผักสมันนะเพียงแค่มีเสียงดังเนี่ยใจไม่ทุกข์หรอกแต่พอเราไม่ชอบมันใจเรารู้สึกยินร้ายกับมันนะใจไปทะเลาะตะ่อทะเลาะบ่อแวงกับเสียงนั้นเนี่ยมันจึงทำให้เราหงุดหงิดนะมีเรื่องเราวาสมัยที่หลวงพ่อชาเนี่ยท่านไปดรับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่ประเทศอังกฤษเมื่อ40ปีที่แล้วครานั้นหลวงพ่อสุมเมก็ไปด้วยตอนั้นท่านเป็นพหนุ่ม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 เจ้าภาพซึ่งเป็นชาอังกฤษก็เข้ามาหาหลวงพ่อแล้วก็มาขอโทษว่าขอโทษที่มีเสียงดังมารบ ก, กวนนะการนั่งสมาธิหลวงพ่อช้นตอบว่าโย ม, มไปคิดว่าเสียงดังมารบ ก, กวนโยมที่จริงโยมต่างหากที่ไปรบ ก, กวนเสียงนะพราโย ม, มไปรบ ก, กวนเสียงโยมถึงนั่งสมาธิไม่เป็นสุขนะหมายความว่าไงหมายความว่า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 เทปูนแล้วก็เป็นถนนลูกรังก็มีมดนะไต่ขึ้นมานะมันไต่ขึ้นมาตามขาแล้วก็เข้าไปในร่มผ้านะคนก็คนที่เดินก็มีความทุกข์มากหลายคนกนะ็เดินไม่เป็นสุขบางคนก็เอามือปัดนะพอเดินจบนะก็มาคุยกันก็ถามเขาว่าทำไมถึงปัดนะทำไมถึงปัดมด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 นะใจที่ลบใจที่ปรุงแต่งใจที่ปล่อยให้ใจที่มีความยุดติดถือมัน่นะใจที่มีการปรุงตัวกูขึ้นมาเนะี่ยถ้าเรารู้ตรงนี้เนี่ยเราจะรู้เลยอ๋อสาเหตุทุกมันอยู่ที่ในใจและถ้าเรารู้ว่าสาเหตุทุกอยู่ที่ข้างในการที่จะแก้ทุกหรือหลุดออกจากทุกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่ามองถูกแล้วนะเห็นเห็นคาตอบแล้วนะ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 แต่พอทํางานเสร็จเนี่ยตรงไปที่ไหนรู้ไม่มไม่ได้ตรงไปห้องพักกนะตรงไปร้านฟาสต์ฟู้ดไปกินนะอาจารย์ก็งงมากนะเนี่ยเฮ้ยคุณอดหลับอดนอนนะทำไมคุณไปกินนะแสดงว่าค น, คนเหล่านี้ไม่รู้ไม่ระลึกรู้ว่าไอ้ที่จริงที่ตัวเองมีมีความทุกข์มีความมีความไม่สบายกายเนี่ยนะมันเป็นเพราะล้ามันเป็นเพราะอดนอน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 ที่เกิดขึ้นกับกายตัวนี้เป็นเวทนาอะไรนะลาหรือหิวเมื่อกี้เราก็สวดไปแล้วนะสติปัฏฐานสูตรนี่ก็จะพูดว่าให้รู้กายรู้เวทนารู้จิตทั้งหมดนี้ถ้าเรารู้ดีๆเนี่ยมันก็จะรู้ธรรมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะแม้กระทั่งการรู้กายก็ไม่ค่อยรู้แล้วรู้เวทนาก็ไม่ค่อยรู้แล้วยิ่งรู้จิตนี่ไม่รู้ใหญ่เลยว่าตอนนี้อารมณ์ใดนั้นสําคัญนะกลับมารู้ใจของเรากลับมารู้เวทนาเนี่ย ต้องอาศัยสติแล้วถ้าเรามีสติดีเนี่ยมันจะไวและจะรู้ว่าอ้ที่เราทุกข์เนี่ยเพราะอะไรแล้วก็จะได้แก้นะที่ใจของเราได้และนี่แหละคือวิธีการที่ทำให้ เ, เราสามารถที่จะผ่ า, าใจกลับมานะแล้วก็สามารถที่หาใจให้เจอนะถ้าเราไม่หมั่นสังเกตใจเรานะีมันก็ไม่มีทางนะที่จะหาใจใเจอได้เอาคาที้พูดทั น, นี้นะครับครับ